นอนอย่างดีแต่มุ่งกระทำอย่างตดำคือมุ่งทำตามกิเลสมุ่งทำตามอวิชชาตันทาวทธานกรรมแต่ก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองมุ่งอย่างตดำดังนั้นเองเราต้องการสิ่งไหนก็ให้สั่งสมสิ่งนั้ น, นไหวไหมนะกันก็แปลว่าเราได้ <c oughs> ศึกษาทำความเข้าใจในช่วงเย็นวันนี้